เราร้อนพ้นความเครียดอะไรพวกนี้เราต้องการให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่ทําไ ป, าปแล้วปรากฏสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมันมันก็ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เช่นนี่คือการอ่านอ่านระหว่างขณะที่เราทําและเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงว่ามันแมทกันไหมมันตรงกันไหมถ้าไม่แมทแส ด, ดงมันเฉยเอาข้างใดข้างหนึ่งแล้วข้างปรับมาจุดศูนย์กลางแล้วเฉเออกไปทางสบายมันก็เป้าหมายอยู่ไปไม่ถึง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 ถ้าหากว่าเราปรับตรงนี้ได้ให้เป็นทางไปทางมัชชีมาปฏิบัติอาอุปสมัยญอภิญญาญาิพานญานสังวร ต, ติเลยว่าถ้าหากว่เราเฉออกนอกทางไปทางสบายติดสบายเกินไปมันก็นําไปสู่ทุกข์ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐแล้วเป็นไปเพื่ อ, อไม่สงบเป็นไปเพื่อไม่ความไม่มีความ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 ทำยงไงขอให้ขราพเจ้าเข้าใจขใ้าพเจ้าเห็นอาการเห็นวิธีการแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ละจะพยายามขไไนาดว่าไม่สามารถจะทาเป็นและก็ไม่สามารถจะรู้วิธีการนี้ได้ด้วยขอให้ถ่านใบนี้ต่างไปแล้วก็ mm ก ว, ว่างลงไปใช่ไ้มปรากฏว่าถ่านใบนี้เป็นไงก็ทวนทุนๆกระแสะน้ำขึ้นไปอ๋อแสดงว่ามีทางออกเรื่องนี้เป็นไปได้อ่า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 ดูซิว่าอาการหนักเระพกเป็นอาการของการอาการของจิตอ่าผู้ตายคนตายเนี่ยเขารู้สึกหนักอย่างเราไหมอ้าวเขาก็มีกายทำไมไม่รู้สึกเออท่าไม่ทำงานอ้าวทำไมไม่ทำงานทาาสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมดินน้ำดวมไฟ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 มันหนักนะอย่างนี้สมมุติว่ามันเบานะอย่างนี้สมมุติว่ามันสบายนะอย่างนี้สมมุติว่ามันพอดีนะมีสัญญาแล้วก็ปรับตัวอาการทุกข์เหล่านี้เป็นด้วยเป็นสังขารแล้วรู้จักวิธีปรับให้ได้แตลอเวลาเป็นวิญญาณอ๋อตรงนี้เองตรงนี้ตัวเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นนามดิบๆเป็นนามที่ติดอยู่กับรูป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 คือหมายความว่าอย่ายึดซึง่งกันและกันพร้อมที่จะปล่อยวางใช้แล้วก็ปล่อยใช้แล้วก็วาง <c ười> คุณใช้แล้วไม่ปล่อยไม่วางมันถึงทุกข์ยังไงมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีสามีก็ทุกข์เพราะสักคุณไม่ปล่อยไม่วางถ้าคุณปล่อยวางคุณก็ไม่ทุกข์นะั่นนะเหรอเพราะคุณยังไม่ได้ปฏิบัต